ท่านฟังที่ครบคะ่ะนี่คือรายการสรนสนีสนทนาในช่วงเวลาที่สองแล้วนะคะเรากําลังจะไปพบกับพระไพบุญอภิปุลโนจาวัดปาดรณหายโศกอุดรธานีคะ่ะกล่าวนพัธ ก, การคะทั้งคะ่ะเชิญพรค่ะพอกลับมาวันจันทร์นี้ก็เลยมีคําถาม อ, อยากจะให้ธรรมะไปตอบคําถามที่มีความทุกข์เกี่ยวกับเรื่องของครอบครัวรอย<ม>อยู่เลยคะท่านคะเชิญพาน ขออนุญาตถามเลยได้ไหมคะได้ได้ไถามงใครเอ่ยเผื่อว่าจะเป็นคำถามที่ตรงกับท่านผู้ฟังบางท่านเป็นสุภาพสตรีนะคะท่านก็ถามม า, าว่าขอคาแนะนํามีลูกชายอยู่สองคนคนโตนยี่สิบเอ็ดคนเล็กก็อายุสิบเก้าครอบครัวเป็นครอบครัวใหญ่มีหลายคนอยู่ด้วยกันญาติๆเป็นบ้านสองหลังหลังแรกมีอาและอาห ม, าม่าส่วนครอบครัวของท่านที่ถาม อยู่4ี่คนพ่อแม่ลูกและตอนนี้ท่านที่ถามกับลูกชายคนโตไม่ได้พูดกับสามีมส่วนลูกชายก็ไม่ยอมคุยกับอา玛<ม>ก็ยัง ก, กังวลเพราะสามีคอยกดดันและลงมาไล่เราอยู่เป็นครั้งคราวสาเหตุที่ไม่คุยกับสามีดิฉันก็ไม่ทราบอยู่ๆเขาก็ไม่คุยและไม่ยอมให้เงินลูกสามีเป็นคนทิฏฐิ เวลาไม่ชอบอะไรหรือใครทําอะไรไม่ถูกใจก็จะฝังใจอยู่อย่างนั้นอลูกชายก็เลยพานโกรธอม่าที่จัดการอะไรกับพ่อไม่ได้ใกล้ที่ลูกชายจะเรียนจบแล้วสามีพูดว่าถ้าลูกชายเรียนจบเมื่อไหร่ให้ย้ายออกไปทั้งครอบครัวหมายถึงทางฝ่ายแม่นี้ด้วยนะคะเราไม่ต้องการที่จะเป็นแบบนี้พอไปบอกอาาม่阿ม่าก็ให้ความเห็นว่าถ้าอยู่ด้วยกันไม่ได้ก็ต้องย้ายออกทําไมอา ม, ม่าไปบอกลูกชายว่าต่างคนต่างอยู่อาม่าไม่เป็นห่วงล้านเลยเหรอ ว่าหลานจะลําบากและหลานกำลังจะมีอนาคตพระอาจารย์มีธรรมะข้อไหนที่จะช่วยดิฉันได้บ้างให้เรื่องร้ายกลายเป็นดี <c oughs> อันดับแรกก่อนค <c oughs> ่ะอันนี้ถ้าเราจะแก้สถานการณ์ได้อะนะผู้เช่าพูดถึงว่าถ้าเราจะโกรธไม่พอใจเราจะพยายามที่จะแก้สถานการณ์ด้วยความที่โกรธไม่พอใจยังมีทิฏฐิอยู่เราจะแก้ไม่ได้ค่ะอันดับแรกคือเราจะต้องไม่มีความขัดเกื่อนเกิดขึ้นในจิตของเรา นะมันเขา่อไง ม, ามาันก็ว่าเราต้องอดทนนั่นแหละนะค่อยพูดค่อ ย, อยจา ก, กันนะถ้าเขาจะพูดแรงมาเราจะแรงไปมันก็จะไปไม่ได้แต <Okay. S 1> นะ่ถ้าเขาพูดแรงมาเราอ่อนไปนะอันนี้คือเราชนะทิฐิในตัวเราอันนึงละพอเขาเห็นเราอ่อนๆมาเนี่ยเขาจะลดความแรงลงเพราะว่าเออไม่ต้องพูดแรงก็ได้นี่คนอ่อนอย่างนี้นะค่ <Okay. S 1> นะก็ค่อยๆแก้ไปแตมาก็ต้องแนะนำนะอันดะับแรกเลยคืออดทนไวนะ้แล้วรูดูหน้าที่นะที่เราจะต้องทําว่ามัน สมบูรณ์ไหมเราดูแลครอบครัวอย่างดีไหมคืออย่างหน้าที่ของภรรยาเนี่ยหนึ่งในหน้าที่นั้นคือสงเคราะห์คนข้างเคียงอย่างดีค่ะ ใ, ในนี้มีความหมายลึกซึ้งมากนะคำ ว, ว่าสงเคราะห์คนข้างเคียงอย่างดีเนี่ยสงเคราะห์สงเคราะห์สงเคราะห์เนี่ยพระเจ้าเคยพูดถึงพระเจ้าพูดถึงทำสี่อย่างที่ควรสงเคราะห์ซึ่งกันและกันนะทำสี่อย่างนั่นก็คือสังขะวัตถุสีนั่นเองนะคืออันหนึ่งคือด้วยการให้ทานนะมีอะไรก็แบ่งปันซื้อกันมาใช่ไหม อีกอันหนึ่งที่สําคัญคือด้วยวา จ, จาที่ไพเราะนะเราต้องพูดกันดีๆนะถ้าขึ้นเสียงขึ้นอะไรแล้วไม่ ไ, มได้แนะ่ไปไม่ไดนะ้ไม่มีครอบครัวไหนที่จะเอา ช, ชนะอาธรรมเนี่ยด้วยสิ่งที่เป็นอาธรรมเหมือนกันคือคุณไม่ใช่ว่าเวลาที่เขาแรงมาเราก็แรงไปไม่ได <Okay. S 1> นะ้นั่นคืออาธรรมกับอาธรรมมันไม่มีทางดีขึ้นมาได้นะ <Okay. S 1> เราก็จะต้องเอาธรรมะชนะอาธรรมนะคือเขาแรงมาเรานิ่งไว้เราคงที่ไว้เรามีความรักความเมตตา มันเอาน้ำดีล้างน้ำเสียนะคนคเคยรักกันมาคุณยมติวถ้าคนเขาแต่งงานกันถึงขนาดมีลูกมีเต้าวางแผนอนาคตคิดว่าอนาคตฉันจะดีคิดว่าแก้ไดนะ้คือไม่ได้ว่าโกรธเกลียดกันมาตั้งแต่เด็กๆอย่างนั้นถึงแม้โกรธเกลียดกันมาตั้งแต่เด็กก็ยังแก้ได้รเราก็ค่อยมีธรรมะปรับเอาปรับใช้เอาชีวิตธรรมะเราอยู่ในชีวิตประจําวันนะทําไปทําไปก็จะได้จุดหนึ่งที่น่าสังเกตก็คือว่า พอลูกๆของเราเนี่ยเฮ้ยทาไมเราเลี้ยงเข้ามาแล้วเขาไม่ฟังเรานะอันนี้คือว่าเราจะต้องคอยที่ห้ามเขาเสียจากบาปให้เขาตั้งอยู่ในความดีค่ะนะคือเด็กมันโตขึ้นมาบางทีมันก็มีความคิดความอ่านอะไรของเขาแต่ถ้ามันคิดไม่ดีเราต้องรู้จักคอยสั่งสอนเนะเพื่อให้เขาอยู่ในร่องในรอยเสร็จแล้วครอบครัวเราก็จะมีความสุขได้ครอบครัวไหนที่มีความสุขคุณโยมตื่นดูได้เลยจะมีธรรมะอยู่แน่นอนค่ะก็เท่ากับว่าท่านกําลัง พูดถึงว่าพระพุทธเจ้าสอนไว้เวลาร้อนไม่ให้พูดเวลาขัดเคืองอันนี้เป็นพุทธวจนะบทบทเลยมีไหมคะเป็นบทพุทธวจนะเต็มๆพระพุทธเจ้าบอกว่าเอาชนะความกโกรธ ด, ด้วยความไม่กโกรธอ๋อค่ะเอาชนะความโกรธ ด, ด้วยการไม่โกรธตอบสัน้นๆเอาชนะความโกรธเอาสั้นๆอย่างนี้เลยเหรือคะใช่ ด, ด้วยการไม่โกรธตอบค่ะก็เพียงแค่เอาชนะความโกรธด้วยการไม่โรกรธอืมซึ่งเป็นพุทธวัจนะ ท่านฟังต้องท่องกันเอาไว้เลยนะคะสั้นๆเพราะในชีวิตประจําวันเราเรามีโอกาสที่จะกโกรธได้ตลอดเวลาเอาชนะความกโกรธด้วยการไม่กโกรธทีนี้ถ้าเราจะพยายามเอาชนะความกโกรธด้วยการกโกรธตอบเนี่ยมันจะเป็นยังไง<ค>ะนะคือเนื่องจากไอ้โทสะเนี่ยคุณยมติโหรือว่าความไม่พอใจความขุนเกื่องพวกนี้คือสายเดียวกันนะค่ะคือคือโทสะเนี่ยมันมาจากความขุ่นเครื่องความขัดใจนะความขัดใจความขุ่นเคลื่องก็มาจากความไม่พอใจอันนี้คือสายเดียวกันหมด ทีนี้ <Okay. S 1> พอพอมันเริ่มเกิดขึ้นแล้วเนี่ยเเหมือนกับเวลาที่น้ําเนี่ยนะคุณยมติกคยเห็นภาชนะหม้อใส่น้ําใส่อยู่ในหม้อเนี่ยนะ <Okay. S 1> ถ้ามันนิ่งๆเรียบๆ เ, เนี่ยเราก็จะสมองเห็นหน้าของเราสะท้อนอะไรได้ใช่ไหมท <Okay. S 1> ีนี้ถ้ามันเริ่มเดือดเดือดขึ้นมามันจะปุดๆเนี่ยมันก็จะมองไม่เห็นอะไรทั้งสิ้นเลยมึนมืด <Okay. S 1> ตื้อเห็นแต่ความร้อนร้อนรุมเราจะไม่สามารถแก้ปัญหาได้ <Okay. S 1> แล้วปัญหานี้ก็จะเอ้า อ, อะไร พอกพูนสั่งสมเรื้อรังนะเป็นแผลเน่าแผลเน่าก็จะมีหนองมีหนองโดนนี่นึงก็เจ็บเนเจ็บแล้วก็หนองก็ไหลออกเกินประมาณเหมือนความสัมพันธ์พ่อแม่ลูกอย่างเงี้ยแ้วคุณไม่รีบแก้คุณไม่รีบใช้ธรรมะแก่เนี่ยปุ๊บมันพอกพูนสะสมเน่าเริ่มที่จะเรื้อรัง น, นี้จะแก้ยากละอย่างแผลเป็นหนองนี่ต้องสูญเสียเนื้อ เ, อเดิมๆไปด้วยกว่ามันจะแก้ออกมาได้นะ ต้องรีบแก่แก่ค่ะยังมีอีกส่วนหนึ่งที่ท่านได้พูดว่าพระพุทธเจ้าสอนเรื่องของการที่จ ะ, ะทําหน้าที่พัญญาให้สมบูรณ์ด้วยสังขาวัตถุสี่ใช่แล้วบอกว่าพระพุทธองค์ตรัสไว้ในส่วนสังขาวัตถุสี่ถ้าเป็นพุทธวจนะเนี่ยเป็นอย่างไรนะคะพระพุทธเจ้าเคยพูดถึงตัวพระองค์เองนสมัยก่อนตอนที่เป็นก่อนที่จะมาเป็นพระพุทธเจ้าอ่ะนะ <c oughs> ได้สงเคราะห์หมาชนทั้งหลายด้วยสังฆะวัตถุสี่ <c oughs> อันดับแรกนี้ก็คือให้ทาน <c oughs> นะเป็นผู้ให้ทานขวนขวายในการให้ทานให้ทานอยู่เรื่อยๆพระเจ้านี่ให้ทานตลอดค <c oughs> นะให้ทานอันดับที่สองคือด้วยวาจาที่ไพเราะ <c oughs> นาะวาจาไพเราะก็คือหมายถึงว่าพูดด้วยไม่ใช่แค่พูดสุภาพเฉยๆนะบางทีพูดสำนวนภาษาสุภาพแต่ว่าความหมายนี่บาดลึกก็ไม่ใช่นะ ค่ะ <c oughs> ยังรวมถึงวาจาที่แน่นอนต้องเป็นวาจาที่จริงใช่ไหมค่ะ <c oughs> แล้วก็ไม่เผอเจอพวกนี้นี่คือสังกาวัตถุอันที่สองค่ะอ <c oughs> อันที่สามก็คือด้วยการประพฤติตัวเสมอกัน <c oughs> ประพฤติตัวเสมอกันนี่ก็คือว่าไม่ใช่ว่าเราเป็นลูกน้องจะไปประพฤติตัวเสมอเจ้านายไม่ใช่อย่างนั้นค่ะ <c oughs> แต่ว่าด้วยหน้าที่ของเราเสมอด้วยหน้าที่ของเราอ่า หน้าที่เนี่ยคือหมายความว่าสมมุติเราเป็นเพื่อนกันนะเราก็ประพฤติอย่างถูกต้องด้วยการรักษามิตรที่ประมาทรักษาทรัพย์ของเพื่อนผู้จาไม่แตกกันถ้าคุณเป็นลูกน้องคุณก็ประพฤติให้ถูกหน้าที่ก็คือมาทํางานก่อนนายเลิกงานทีหลังงายไม่เอาของที่นายไม่ให้อย่างเงี้ยเป็นต้นงั้นถ้าในกรณีนี้ที่เรากําลังพูดกันอยู่ก็สองหน้าที่ หน้าที่ของพันยาต่อญาติของสามีกก็คือคุณแม่อาม่าใช่กับหน้าที่ของหลานใช่ไหมคะกับหน้าที่ของความเป็นอของหลานต่ออาม่าใช่และหลานต่อพ่ออืมลูกต่อพ่อและลูกต่อพ่อค่ะทีนี้เมื่อสักครู่นี้มาถึงสามข้อของสังขาวัตถุแล้วที่ตราสเอาไว้อีกข้อหนึ่งคืออะไรนะคะก็คือความประติประโยชน์ผู้อื่นค่ะคือให้ทําประโยชน์กับผู้อื่น นะคือทําประโยชน์ให้เขาฟรีๆอ่ะบางเด้อแบบ <Ừ. S 2> เรามีจิตอาสาเรามีเป็นอาสาสมัครพวกนีนะ้ชื่อว่าแบบประพฤติประโยชน์ผู้อื่นคือไม่ได้ว่าจําเป็นต้องอยู่ในหน้าที่อะไรฉันก็ทำมีใจกว้างใจใหญ่ใจสูงอย่างนี้ค่ะ่ะที น, นี้ในเรื่องเนี้ยลูกอายุสิบเก้ายี่สิบใช่ไหมคะที<อ>่เหเข้าใหญ่ว่าเด็กอายุขนาดเนี้ยสอนยากแล้วล่ะวัยรุ่นอ่ะเนาะทีนี้ท่านพูดถึงว่าพระพุทธองค์ตรัสว่าหน้าที่ที่แม่ต้องทําต่อลูก คือห้ามลูกเสียจากบาปให้อยู่ในความดีถูกไหะเมื่อสักครู่นี้อ่าบางคนที่กําลังเป็นคุณแม่ก็อาจจะยังอยากทราบเพิ่มว่านอกจากนี้เนี่ยจะต้องสอนลูกที่ยังเล็กอยู่ในอย่างไรบ้างจะได้ไม่เป็นไม้แ ก, ดก่ดัดยากอืมก็คือต้องให้รู้จักเขารู้จักการประพฤติอ่อนน้อมถ่อมตน ต, ต่อผู้ใหญ่ในสกุลอันนี้พระเจ้าเน้นเหมือนกันนะเป็นคุณธรรมที่สมัยนี้มันยังมีอยู่แต่ว่ามันถูกบิดเบือนไปมากนะ อืม <Okay. S 2> ว่าบางคนไม่รู้จักผู้ใหญ่ในสกุลไม่รู้จักพ่อแม่นะไม่รู้จักทําให้ถูกอ่ะกับฐานะที่เราควรจะต้องทําค <Okay. S 2> อการทําตรงนี้เป็นเรื่องสําคัญเพราะว่าเป็นคุณธรรมที่มันมันมีอยู่ในมนุษย์อนะความเป็นมนุษย์มีนะพ่อแม่น้าชายปู่ย่าตายาย <Okay. S 2> คือไม่เหมือนสัตว์เดรัจฉานที่ว่ามีแค่พือพอโตขึ้นมาแล้วก็จบกันละพ่อแม่ไม่มีอย่างเงี้ยอืมแล้วเราก็ให้รู้จักสอนให้เขารู้จักอ่า มีความประพฤติอย่างถูกต้องต่อผู้ใหญ่ในสกุลอันนี้จะช่วยได้มากค่ะอ <No. S 2> ย่างอืน่นมีอะไรอีกไหมคะที่จะสอนลูกโอแค่ okay. นี้เราก็พยายามทําให้ได้นะค่ะ่ า, าจารย์คะทีนี้ดิฉันก็อยากจะถามอีกคำถามหนึ่ง <c oughs> คือบางทีจินตนาการเจ้าของปัญหานะคะว่าอาจจะฟังท่านอาจารย์มาแล้วก็รู้สึกว่ามันมีเวลาหรือว่าวิธีการนี้อาจจะใช้ไม่ได้ละเพราะที่ผ่านมาไม่ได้ใช้ จนกระทั่งอามาเองก็อาจจะทิฐิแล้วอ่าคุณพ่อเองก็อาจจะแก้ไขา ย, ยากแล้วโดยวิธีการที่จะไปปรับในเวลาอันสั้นลูกจะเรียนจบอยู่แล้วเนี่ยค่ะอืมนั่งสมาธิช่วยได้ไหมคะท่านนั่งสมาธิจะช่วยตรงที่ว่าจิตของเราจะมีกําลังในการคิดหาวิธีได้อันนี้ถูกต้องเป็นการแก้ที่รากเหมือนกันควรทาด้วยเพราะว่าเวลาที่เราเราทําตรงนี้แล้วเนี่ยนะจิตของเรามันจะเริ่ม ที่จะเปิดออกนะพอเปิดออกเราก็จะเห็นวิธีแก้ปัญหาที่ถูกต้องอะไรต่างเห็นได้อยู่นะควรควรท ม, มท่านนี้น่าจะเป็นคนที่ปฏิบัติอยู่แล้วเมืนคืเนี่ยเพราะว่ารู้จักท่านอาจารย์ไหคะก็ไม่ไม่ทราบเหมือนกันอู้ภาเนาะ <c oughs> ที่ถามมาอ๋อคือถ้าในากรณีที่ยังไม่เคยรู้จักท่านอาจารย์มาก่อนขอวิธีทำสมาธิที่ได้ผลดีที่สุด แล้วง่ายที่สุดสําหรับคนที่ไม่เคยปฏิบัติค่ะท่านคะก็พระเจ้าพูดถึงอนนาปานสตินะที่ท่านมาร์คได้พาอ่านให้ฟังอยู่ตอนแรกของรายการอยู่ทุกวันทุกวันนะคือเรามีสติเนี่ยลมหายใจเราไม่ใช่ในตามเราไปทุกที่ค่ะไม่ได้ฝันมันก็อยู่กับเราเพราะฉะนั้นถ้าเรามีสติตรงนี้เวลาเขาด่ากันเนี่ยเขาพูดไม่ดีกันเขาพูดส่อเสียดกันเนี่ยแม้ฟังแล้วมันยุ่งใจคุณโยมเดียวพ่อพูดถึงลูกอย่างนี้ เราก็เป็นคนฟังลูกพูดถึงพ่ออย่างนี้แต่พ่อลูกไม่พูดกันนะพูด ด, ด่าอีกคนหนึ่งให้เราฟังเนี่ยเราฟังทั้งเขาก็ด่าคนนูน้นเราคนหนึ่งก็น้นก็ด่ากันนั้นเรามีแต่รับคำด่าอย่างเดียวเลยน้ำฟังแล้วมันยุ่งใจอา้าวถ้าเรามีสติในลมหายใจวับเข้ามาปุ๊บเนี่ยอย่างน้อยความยุ่งใจมันดับไปช่วงนั้นค่ ะ, ะให้ทาให้ลองทาดูนะคะก็คือว่าถ้ามันปรีดมาจีดมาให้มีสติ เครื่องมือก็คืออยู่กับลมหายใจก็ได้จะสร้างสติได้ง่ายมากขึ้นใช่ความอดทนนี้เป็นเรื่องที่สำคัญมากถูกไหมคะเจ้ า, าที่ฟังพระอาจารย์ค่ะดิฉันคิดว่าสำคัญที่สุดในขณะนี้ก็คือว่าต้องอดทนให้ได้เราอย่าไปโกรธเอาชนะความโกรธ ด, ด้วยความไม่โกรธแล้วก็ทําในสิ่งที่ท่านอาจารย์ได้นำเอาคำสอนพระพุทธเจ้ามาบอกนะคะว่ า, าใช้สังคาวัตุสีดยการใช้จิตที่ อยากจะให้ทานมีวาจาไพเราะประพฤติตัวเสมอการตามหน้าที่ที่ควรจะประพฤติต่อกันแล้วก็ประพฤติประโยชน์ต่อผู้อื่นที่เราอยู่ด้วยส่วนลูกนั้นเราก็ให้เขาเว้นเสียจากบาปกับการที่แก้ไม่ได้นั่งสมาธิจะทําให้มีปัญญาจะทําให้มีสติคงจะพอแล้วนะคะแล้วก็เวลาพอสมควรแล้วด้วยต้องก ร, บบราบขอบพระคุณท่านเพบูรณ์เป็นอย่างยิ่งท่านผู้ฟังที่เคารพคะเรามาในวัชการขอบพระคุณท่านพพร้อมกันคะ่ะ ในนิสการคะ่ะเรื่องฝั่งที่เคารพคะ่ะบางครั้งเราก็มีปัญหาข้อที่จริงแบบนี้บางทีเราก็มีข้อธรรมะที่จะพูดเป็นหลักการ ก, กว้างๆเอาไว้ให้ท่านไปประยุกต์หรือว่ า, าไม่ต้องประยุกต์ก็ได้เอาไปใช้ในทางตรงเลยให้เกิดประโยชน์กับชีวิตของท่านในวันพรุ่ง น, นี้มันรนี้เราก็มาติดตามกันต่อไปในขารายการนี้มีทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์สำหรับวันนี้เราคงจะฝากกันไว้ด้วย การที่ให้ท่านอยากถามคำถามไปที่พระอาจารย์ภัยบูลที่เพียวธรรมะ .com/106 หรือว่าที่022690006เบอร์โทรศัพท์ที่ท่านจะขอหนังสือพุทธวจนะที่พระอาจารย์คริสต์โสธิพโลวัฒนาปรารพง์ซึ่งพระมาชาเขาวโรที่จดัดรายการช่วงแรกนะคะเป็นพระภิกษุลูกวัดอยู่ด้วยก็ขอมาได้นะคะวันนี้พุทธวจสวัสดีค่ะ